2.3 ชาวพุทธสร้างพรให้ตัวเองวงเล็บเปิด1 1มินาคม2551ในวงเล็บ1จุดจุดนาที22วงเล็บปิดพรแปลว่าประเสริฐนะความประเสริฐความดีทั้งหลายต้องทําเอาเองไม่มีใครให้เราได้หรอกหลวงพ่อไม่อยากให้ลูกศิษย์ของหลวงพองมงายเพราะหลวงพ่อรักลูกศิษย์ไม่อยากให้พวกเรางมงายชาวพุทธเราไม่ขี้ขอ ความดีความประเสริฐทำด้วยตนเองที่ทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วประเสริฐแล้วนะประเสริฐกว่าแต่ก่อนในชีวิตที่ผ่านมาชีวิตของเราประเสริฐมากขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ควรภูมิใจอยู่นะดีแล้วล่ะมีพรในตัวเองไม่ต้องมาขอหลวงพ่อนะวงเล็บเปิดสองสามีนาคม2551ห้าเอ็ดในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดคว่าขอพอรเนี่ยนะไม่มีชาวพุทธไม่ขี้ขอนะ สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพึ่งตัวเองให้ได้เวลาที่หลวงพ่อสอนธรร ม, มะนะหลวงพ่อสอนแบบหมดเปลือกเลยพวกเรายังทรงจําได้ไม่หมดถึงทรงจําได้ก็ยังทําไม่ได้ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าใจย่อยธรร ม, มะที่หลวงพ่อสอนได้หมดฉะนั้นเราต้องเรียนธรร ม, มะแล้วเราก็เรียนธรร ม, มะด้วยการรู้กายรู้ใจไปอย่าติดครูบาอาจารย์มีโอกาสมาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราก็มาถ้าไม่มีก็ไม่มานะ มาไม่ได้ก็ไม่ต้องมานะอย่าส่งจิตมาบางคนมันส่งมานะอยากจะเคย ก, กบาลหลวงพ่อก็เคยมีอยู่คราวหนึ่งได้ข่าวว่าหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเป็นคนสุรินนะแต่ชื่อกิมไม่ได้เป็นภาษาขเขมรหรอกหลวงพ่อกิมมาอยู่ทางสาทรโยมเขานิมนต์มาโอ้ยเราอยู่เมืองนนทเราจะไปหาเราก็ไปไม่ไหวนะงานต้องทำทุกวันตกกลางคืนนั่งสมาธินึกถึงท่านเราก็รู้สึกเหมือนไปฟังท่านเทศอยู่โอ้คนเต็มห้องเลย พอดีเห็นเพื่อนคนหนึ่งชื่อวิไลแก่แก่กว่าหลวงพ่อเยอะนะเป็นเพื่อนไปวัดด้วยกันดันไปถามหลวงพ่อกิมหลวงพ่อคะคุณประโมทภาวนาเป็นอย่างไรบ้างหลวงพ่อชำเลลองไปไม่ได้เรื่องทรงจิตออกนอก โอ้ยเรานี่หดนี้ออกแทบไม่ทันเลยอีกวันโทรมาเล่าอีกแล้วแหม่ยังมาซ้ำเติมกันด้วยการโทรมาเล่าหลวงปู่สิมท่านกบน็บ่นชอบส่งจิตไปกวนเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ต้องเข้มแข็งนะเส้นทางเดินนี้เป็นเส้นทางของคนเข้มแข็งเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางของคนอ่อนแอ